สัมปชัญญะอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผ ล, มมผลไม่ใช่คัดคาดเ ด, ดาเดาอย่างหลอมหลแรงแรงคาดเดาอย่างเหนเ็นตัวเป็นตัวเป็นตนจากนั้นแล้วก็ใส่ยกเข้าไปเชิญสติเจิญวิริยะอุตสาหะความอดความทน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 สมมากรรมโตสมมาอาชีโอสมมาวายามโอสมมาสติสมมาส ม, มาธินี่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมด น, นี้รวมทั้งส ม, มาธิรวมทั้งปัญญารวมทั้งสมถะรวมทั้งวิปัสสนาอยในนี้นทั้งหมดึติดใจเข้าใจ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 มีญาณรู้ว่นี่อ๋อนี่คือทุกข์เห็นร่างกายคือตัวตนเราเป็นทุกข์มีญาณมีญาณเห็นอีกว่าทุกข์นี่ควรกำหนดรู้มีญาณบอกอีกว่าทุกข์ควรกาหนดรู้นี่เรากำหนดรู้แล้วจบหมดแล้วมันมีญาณอย่างบอกทุกรยะทุกควรกำหนดรู้ไม่ให้ทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ให้ยึด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 เกิดญาณรู้ว่าโอนีสมุทยัยไม่มีใครสอนนะอุทกดาบทลาราดาบทไม่เคยสอนพระองค์โ้นีสมุทยัยมันมีญาณอย่างรู้ในขณะที่ปฏิบัติธรรมและจิตหมุนไปเนี่ยนี่คือสมุทยัยญาณบอกอีกสมุทัยควรละเนะี่ยญาณบอกนะสมุทัยของควรละสมุทยัยคือตัญหากรมตันหาพระวะตัหาวิพระวะตันหา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 เราเรียงลําดับไปจากศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเวลาถือปฏิบัติจริงๆจะต้องมีปัญญานําก่อนคนที่จะตั้งใจรักษาศีลได้จะต้องเกิดปัญญาในหัวใจเห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วก็ดารีชอบดำรีไม่เบียดเบียนสัตว์ดําริไม่พยาบาทปองร้ายดาริไม่เบียดเบียน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 จเจริญอย่างเดียวจเจริญข้อใดก็ตามที่มันถูกกับจริตนิสัยของเราเราเราจเริญนั้านั้นกิเลสตัณหามันแทรกเข้ามาที่จิตของเราไม่ได้เพราะจิตถูกสติปลุกให้ตื่นรูโ ม, โ ม, โมโองโมหะครอบงําไม่ได้จิตของเรามาันถูกสติปลุกให้ตื่นรูโมหะครอบงําไม่ได้เราลองตั้งสติอยู่เดี๋ยวนี้ให้สติของเรามันโรูอยู่เฉพาะหน้าเนี่ย